รุ่นญาติญาติพี่น้องเพื่อนของมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบการศึกษาแล้วหไปทางไหนจะรอยิ้มของผู้คนเบิกบานหมดทุขย่อมย่าแต่เรานี่สิรู้สึกหงยเหงาเพจนัดตาเดียวหันไปทางไหนก็ม่เห็นมีใครมาร่วมแสดงความยินดีเลยเพื่อนๆพืต่างแยกตัวไปกับญาติญาติเขาตัวเองถูกจนหมดเอ๊ะนั่นมือนรถที่ท่านขับทีนาวิ่งเข้ามาเพื่อจะจอดตรงบันได เป็นมาบรรณาห์ประชุมตอนนี้จฉบอกว่ถูกก้าวเท้าไปหาท่านแต่แล้วก็ต้องชะงักเท้าพคนที่ลงจากรถคันนั้นไม่ใช่ท่านเนี่ยไม่คนที่เรารู้จักจะเป็นคนอื่นไปสอย่างนั้นแหละเพราะเป็นใครบอกท่านสีเดียวกันยอดเดียวกันเมื่อท่นได้มองป้ายทะเบียนก็มุดแต่ดีใจตั้งใจติดธุระมาไม่ได้นัวเองทุกคนทยอยเข้าไปในห้องประชุมแล้ว ตอนนี้ก็เหลือแต่เราที่สวมชุดครุยยืนยืนแก่งๆอยู่บนบันไดไม่รู้จะยืนทำไมไม่รู้จะรอใครอีกแล้วไม่เป็นไรไม่มีใครมาร่วมแสดงความยินดีก็ไม่เป็นไรทำใจไว้แล้วนะที่ยิ่งฝนดีใจนะที่เธอมาแสดงความยินดีกับพี่นี่ค่ะช่อดอกไม้สำหรับบันดิตผู้จบการศึกษาแล้วค่ะขอบใจมากฝน ดี ใ, ใจด้วยนะคะจ้าไม่มีใครมาแสดงความยินด้วยหรอคะเนี่ยเออเปล่าไม่มีเลยอะท่านของพี่ยิ่งล่ะไม่รู้หรือไงรู้ปลอดท่านแล้วแต่ท่าไม่รับปากหรือว่าจะมาได้หรือเปล่าต้องดูงานท่านก่อนสงสัยว่าท่านจะติดงานเร่งด่วนนะนะอ๋อไม่เป็นไรเ อ, อ่เอแอป๊บเดียวเลจ้าสบายสบาอืค่ะอ๋อนี่พี่เตรียมของให้ฝนด้วยนะอะไรเหรอคะนี่ไงรับไปสิคําพี่เหรอคะเนี่ยจ้า เป็นับภาษาไทยสมบูรณ์ที่สุดเลยเล่มหนาจังเลยอ่ะใช่ชอบไหมชอบมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่ยิ่งมากเลยนะคะจ้ะไม่มีใครอยู่ข้างนอกแล้วนี่นาเข้าไปในหอประชุมกันหมดแ ล, ะละ้วล่ะงั้นเราจะยืนอยู่ที่นี่ทาไมกันละ่ะคะเข้าไปใไนหอประชุมกันเถอะพี่ยิ่งจ้าไปกันเถอะ รัปริญญาคคักเลือเกินก็ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั้นเขีเวลานานครึ่งค่นวันเหลือทีเดียวแต่ก็ดีนะมาเป็นบรรยากาศชื่นมื่นใครมงานนี้ก็มีแต่ความสุขตอนนี้เราออกมาจากขอประชุมแล้วจัรู้จะไปไหนดีจะไม่อยากกลับบ้านในตอนนี้เท่าไหร่หรอจะกลับบ้านเลยเหรอพี่ยิ่งก็จะไม่อยากกลับตอนนี้มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าอะก็นิดหน่อยนะแต่ช่างเถอะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอโทรศัพท์ไปหาท่านก่อนเอาสิ ตู้โทรศัพท์อยู่นี่ค่ะเ อ, อ่อพี่ไมมีเหรียญซะด้วยสิฝนมีค่ะนี่ค่ะห้าเหรียญพอไหมอ๋อเหลือเฟือจ้ะเราเดี๋ยวนะฝนค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลขอโทษครับขอสายท่าหน่อยฮะพลตรูดเอกชัยพี่ชัยฤทธิ ร, รงนะครับเสียงคุ้นๆใช่ยิ่งหรือเปล่าแล้วนั่นน่ะครับนั่นใครกันนะฉันผู้กองไงจําเสียงฉันได้หรือเปล่ายิ่งอ๋อผู้กองสวัสดีครับเออเออัดดีเป็นไงบ้างละ่ะผมรับปริ ญ, ญญาแล้วนะผู้ ก, กองฮ่ <Ha. S 1> จริงๆนะครับไม่แยกะโทรบอกฉันเลยเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนอะ่ะรับไปหรือ ย, ยังละ่ะรับไปเมื่อกี้เองฮะ โอ้ oh, ลืมบอกฉันได้ไงนะยิ่งศักขอโทษครับประธานนึกถือพวกกองจริงๆเลยนันน่ะสิลืมได้ยังไงล่ะเนี่ยยังไงขอแสดงความยินดีด้วยนะขอบคุณครับมีแผนจะทําอะไรต่อล่ะว่าจะเรียนต่อแต่ถ้าไม่เรียนก็อยากจะกลับไปช่วยพัฒนาบ้านเกิดนะฮะดีมากยิ่งนายคิดดีทําดีแล้วล่ะฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยเกิดที่ไหนเมื่อจบการศึกษาแล้วก็สมควรกลับไปพัฒนาบ้านเกิดตนเองถูกต้องไหมล่ะอะครับพวกกองอืม แล้วนี่ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่หรือเปล่าครับยันนี้ว่างไหมล่ะทําไมล่ะฮะฉันจะชวนไปเลี้ยงนะสิโอ้นี่เหลือได้เกินนะฮะไม่ไหวบ้างฮะอ้าวเลยไม่ไหวจริงๆเหรอครับงั้นพรุ่งนี้ดีไหมอ๋อพรุ่งนี้ดีครับดีเย็นพรุ่งนี้ฉันขับรถไปรับที่บ้านท่านเลยนะครับแต่งตัวรอเลยนะยิ่งครับพะกร อ, อ๋อจะพูดสายกับท่านหรือเปล่าครับใช่ครับเดี๋ยวนะตอนทีท่านคุยกับผู้ใหญ่อยู่น่ะ อ๋องั้นไม่เป็นไรฮะผ๋อก็จ่ายท่านดีครับงั้นแค่นี้นะครับผู้กองอ้าวจะไม่รอสายคุยกับท่านหน่อยหรอไม่ดีกว่าครับป๋บอถ้าต้องไม่เป็นไรเข้าใจว่ท่านคงติดงานนะฮะอ่าเอางั้นก็ได้แค่นี้นะครับผู้กองขอบคุณนะครับรบ๊ายบายฮะอืมบ๊ายบานะเจอกันเยร่นี้ครับผู้กอง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 ในโลกที่มีความวุ่นวันในโลกที่ทุกคนต้องดินรที่ซับซ้ร้งลงจนใจนั้นแสนน่ในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยเรื่อยจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรแต่ชีวิต ยิ่งผ่านยิงได้พบยิงเจอกลับทำให้ฉันคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอคือกลังใจเดียวที่มีไม่ว่าทีไหนฉันดีใจที่มีเธอม ต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยรงนี้ในอุปสรรคที่มากมายในความวาดวันที่วุ่นวาย อนาคตในปัจจุบันและอดีตในความเจ็บปวดที่ต้องเจอที่ไม่เคยพ้นไปสักทีแต่ยังไม่รู้พรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใดแต่งชีวิตยิ่งพายิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิด ในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านะทีไหนในฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธอ 懂你。 ฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจ mm ะ -hmm. ลังใจเดียวที่มีไม่ว่าทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอมจไม่ลคค mm -hmm. ฉันก็รู้ฉันอุ่นใจฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ ฉันอุ่นใจเพราะฉะนั้นจะมีใจออยู่กับฉัน บางหรือเ มีใครคอปลอบตัวเองอยู่ทุกวันมือไรเขาคนนั้นจะเข้ามาแต่งแชีวิตให้ดีกวันนี้ขอคิดเพียงเขาเป็นคนดีก็ตัวเองมาลา Ya, mi konrat ti น a n k o ี Ma f y o u so อับเ o าความคิดนี่เน่าว่าจะอยู่ วั น, นขอแค่เพียงเขาเป็นคนดีก็ตัวเองมาหลายปีอยากให้ใครมากอดฉันาจาะความรักให้กับคนโชครายอย่างนั้นจะมีฉันได้รู้จักกับคำที่เรียนว่าความรัก You. <laughs>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 กินเยะนักฝนก็กินได้เท่าที่เห็นนี่แหละแต่วันนี้กินให้มากกว่าเดิมไม่ได้เหรอทำไมล่ะกูใหญ่แฮปปี้อะนี่ก็แฮปปี้แล้วนะคะไม่ต้องกินที่พุงกลางหรอพี่ยิง่งเดี๋ยวพี่สั่งอาหารเพิ่มนะอุะ้ยเอ้าทำไมเหรอจะไหวเหรอพี่เธอกินไม่ไหวแล้วเหรอเนี่ยไม่ไหวแล้วล่ะค <N> ่ะ <N> อะไรกันน่ะกินก็นี่กินอิ่มแเหรออิ่มจริงๆริงนะพี่ยิ่งออะไรนะกินกินกับแมวดมฝนก็กินได้แค่นี้แหละ ว่าไม่อากสัาหารเพิ่มซะหน่อยก็เลยอดเลยพี่ยิง่งยังไม่อิ่มเลยคะกูอยากกินหลายๆอย่างนะ <c oughs> พี่ยิ่งอะ่ะกินประชดอะไรหรือเปล่าอ่ะประชดอะไรอะ่ะไม่รู้สิแล้วพี่ยิ่งอ่ะประชดใครหรือเปล่าล่ะนี่เปล่าซะหน่อยน้อยใจที่ได้ามาแสดงความยินดีกับพี่ไม่ได้ใช่ไหมเปล่าวเรื่องนั้นอ่ะพี่มีติดใจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นมีอะไรเหรออืพี่ไม่รู้จะบอกทีดีไม่ฝนก็ <c oughs> สุดท้ายแต่พี่ยิ่งนะคะ ถ้าไว้ใจฝนก็พูดมาเถอะเผื่อพี่จะได้สบายใจขึ้นมาบ้างวันนี้พี่ยิ่งควรจะให้ปี่สุดๆแล้วนะก็ให้ปี่อยู่นะแล้วมีเรื่องอะไรในใจเอหรือว่าหรือว่าอะไรหระรู้ว่าพี่กำลังจะแต่งงานกับใครสักคนนึงอย่างงั้นใช่มหมฮะโอ้ยอย่าเล่นสิตฝน <c oughs> พี่จะมีฝนคนเดียวเท่านั้นนะพี่ยิ่งพูดอะไรอะ่ะก็พูดความจริงไงพูดตรงๆแบบเนี้ฝนก็เขินเป็นเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วตกลงเรื่องอะไรล่ะคะเรื่องเมียใหม่ของท่านน่ะทำไมเหรอคุณจันสุดานะเธอพยายามจะยั่วอารมณ์พี่ว่าไงนะคะเรื่องจริงเหรอพี่ยิ่งอืมเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในบ้านนั่นแหละแต่พี่ก็พยายามจะไปอยู่ตะลําพังนะฝน ระวังตัวด้วยนะคะพี่รู้แต่พี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะระวังได้นานแค่ไหนพี่กลัวว่าวันเนี้หรือว่าวันหนึง่งพี่อาจจะพลาดท่าเสียทีเขาทํำยังไงดีล่ะพี่นึกไม่ออกเลยบอกท่านเลยดีมะยไม่ได้หรอกทำไมล่ะคะท่านไม่เชื่อพี่แน่ทาไมถึงคิดว่าท่านจะไม่เชื่อพี่ล่ะเพราะเวลานี้นะพ่อรักคนจันส ด, ดาอย่างกับอะไรดีรักคุปปาคุปปามเลยก็ว่าได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่เออแล้วพี่จะทํำยังไงดีอะคะ ไม่รู้สิฝนล่ะฝนทําไมเหรอฝนต้อมีความเห็นอะไรไหมฝนไม่มีหรอกคะ่ะทุกอย่างงอยู่ที่การตัดสินใจของพี่คนเดียวอืรู้ว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาอืถึงเวลาอะไรเหรอคะถึงเวลาที่พี่ควรจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนสัทีจริงเหรอคะ่ะฝนดีใจนะคะที่พี่พูพดแบบเนี้ฝนนึกว่าพี่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองซะแล้วแต่ว่าในที่สุดพี่ยิ่งก็ยังไม่ลืมนั่นเอง แล้วพี่ยิ่งก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดพ่อพี่ยิ่งได้ยินอย่างนี้คงจะต้องดีใจมากๆเลยล่ะคิดถึงพ่อคิดถึงเย็นคิดถึงแม่ด้วยพี่ไม่ม <kalk> ีโอกาสกลับไปงานศพแม่เลยคิดแล้วอดเสียใจไม่ได้นะฝนพี่ยิง